พระธรรมเทศนาแผ่นที่70ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่31ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าอายุยืนแค่ไหนก็กลับมาเวียนไว้เหมือนเดิม แม่ของพออสุจิตมรณะเมื่อวันที่ย <29 S 1> ี่สิบแปดบอกยิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าตุลาห้าเจ็ดเวลาแปดสุนทหนกกว่าเนาะเป็นแม่ของพออสุจิตพอพันจากไปก่อนละ แต่พ่อเพิ่นเป็นมหาได้พ่อเพิ่นเจนพ้พ่อพอจุจิตจังบอกเก่งมเป็นลูกมหาพ่อ น, นไปแม่ของเพิ่นกับวชายย่อยให้กันนนหน่อไปแม่คุณนายมหาห น, นาไปเพราะนั้นพ อ, อจุจิตจังพูดน้าไหลไฟดับ น, นไปพุทธาอายุเท่าไหร่นะแปีเดนครับอ๋อ แปดสิบี่ปีห้าเดือนโอ้ยเอาละพอละขนาดนั้นแต่ใครก็ยังได้มื่นปีประวัติศาสตร์ไปอลวไปมันจะหอดายจังเ๊ะแต่รถของเรามีแต่เหล็กมีแต่ของแข็งแข็งทั้งหมดนถ้าถึงสิบปีไปก็หมดสภาพแล้วขนาดรถนะอันนี้ร่างกายของเราเนี่ยมีแต่เนื้อมีแต่หนังมีแต่เอ็ดมีแต่กระดูก ให้อยู่ยืนนาน น, านไปอยู่ได้ยังไงได้แปดสิบกว่าปีขนาดนี้ก็โอ้โหทนทายาทแล้วหลวงพอ่อว่านะ <c oughs> แต่ใครๆก็อยากจะอายุยืนนะนั่นแะน่นขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ซะก่อนไปเกิดบนสวรรค์แล้วภสษีอาณภสษีอริยะเมตไตรจะลงมาตรัสนะ ต่อนี้ไปศาสนาของพระโคตมะของเราเนี่ยอายุจะร้อยปีมารอบอายุคนจะสั้นลงไปนะหรือห้า้อยปีแล้วท่านหรยงพ่อก็จะไม่ชัดจุดนี้นะลดลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนถุกอายุถึงสิบปีฮะอายุสิบปี อายุเป็นอายุไขแต่คนเมื่ออายุน้อยขนาดนั้นน่ะโตกว่าเล็กด้วยแล้วก็ใจร้อนเนี่ยสินะราคาก็จัดโทสะก็จัดโมหะก็จัดอใครข้าวเวกิเลตราคาโทสะโมหะนี่จัดหมดมันคนอายุสั้นะตัวเล็กอีกต่างหากจากนั้นค่ากันบาด เ, เห็นกันเนี่เหมือนกับหมาเห็นหมาเนี่ย ไม่ใช่หมูของข่ากัดเลยแะนะกัดกันก็ตายเลยรแต่ไหนฆะ่ากันมัน่งนะแต่มนุษย์ถึงแต่ตัวเล็กมันก็มีปัญญานะ่ยฆ่ากันทต่ไหนะตายเป็นบือเลยแต่ไะหนะเหมือนกับมดกันหมดอะพวกเราเคยเห็นไหมมดบางทีมดมดแบบประเภทเดียวกันไม่ใช่ลางเดียวกันกัดกันก็มีนะมดแดงกเหมดกัน บางทีมดดำกัดมดแดงก็มีมดแดงกัดมดดำก็มีตายเป็นบือไปเลยนต่เนี่ยอพอมันมันไม่ถูกใจกันผลที่เกิดไอ้คนที่กลัวตายกูวิ่งเข้าไปในป่าดวงพงไพหลบซ่อนอพอหลบซ่อนแล้วก็กลับออกม า, อาพอบ้านเมืองสงบแล้วหยุดฆ่ากันแล้วพวกที่เป็นหนีเข้าไปในปา่าหลบออกมาพอออกมาแล้วก็ อยู่ด้วยกันเหมือรักกันเพระมันคนน้อยเด้อยู่ด้วยกันรักกันเมตตากันเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันเพราะพื่นดินแผ่นดินกว้างกว้างคนก็ตายหมดอยู่ด้วยดูอยู่ด้วยกันด้วยความรักเมตตากันเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันคนมันน้อยจากนั้นคนร้อยปีมารอบคนอายุยืนขึ้นไปปีหนึ่ง สองอปีมารอบสองปีสามปีสี่ปีจนอายุคนถึงอสงไขยนคำว่าอสงไข่คำนี้นับไม่ถ้วนคำว่าธรรม้าเป็นเครื่องคิดเลขก็นับหนึ่ง6 7สามี่ห้าเจ็ดร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านล้าล้านไม่รู้จะนับไปทางไหนอีกกวอาไปแปลว่าจบสุดเครื่องคิดเลขเหมือนกัน อันนี้ก็เรียกว่าอาสงไขพอถึงอสงไข่ปนเดี๋ยทำไมมันตายยากนักเบื่อในชีวิตของตัวเองบ้านี่ยมันอายุยืนเกินไป อ, อยู่มันก็ไม่มีแต่ว่าคนสมัยนั้นไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนะมีแต่โรคอะไรมีอยู่สองอย่างหรือสามอย่างเนะี่ยตรงพ อ, นะอมีแต่ความสุขกว่างั้นแต่ว่า อยู่อายุยืนเต้เบื่อในชีวิตของตัวเองมันยืนเกินไปคนบ่นมากขึ้นว่าคนอายุมันยืนเกินไปวันนี้ร้อยปีร้อยปีมารอบคนลดลงปีหนึ่งร้อยปีมารอบลดคนลดลงปีหนึ่งพอลดลงมามาถึงอายุแปด0มื่นปีพออายุถึงแปดหมื่นปี ภาษีอริยะมาตรั์มาตรั์เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่องค์สุดท้ายนี่วะกากูสันโธองค์ที่หนึ่งโกณาคมา โ, นโนองค์ที่สองกัจโปองค์ที่สามโคตโมพระพุทธเจ้าของเราองค์ที่สี่พระอริยเมตโยองค์ที่ห้าปฐงองค์ที่ห้าเนี่ยพระภาษีอริยเมต ไรเนมาตรัตนีอายุแปดหม่นปีบําเพ็ญวิริยะทิกะเป็นบําเพ็ญบุญมีใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราปัญญาธิกะนะพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยเป็นวิริยะทิกะศรัทธาธิกะศรัทธาธิกะวิริยะทิกะ นะครับ พ, พระพุทธเจ้ามีมีสามจำพวกมีสามประเภทบารมีน้อยบารมีกลางบารมีใหญ่แต่หลวงพอ่อยังจําไม่ได้ว่าศรัทธาทิกะกับวิรยิยะธิกะนอันไหนอันไหนมากกว่ากันอันหนึ่งวิริยะทิกะอันนึงศรัท ธ, ธาธิกะในศาสนาพระพุทธเจ้าปราทานาศรัท ธ, ธาธิกะเลยหรือวิริยะทิกะอันนึงปัญญาทิกะเนี่ยรู้แล้วว่าน้อยนะ นี่พระศรีอริยเมตไตราอายุ8ปดพันปีพระองค์ยังลงมาตัดสรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศพระศาสนานี่แหละพวกเราคิดดูสิว่าพวกเราอายุจากนั้นไปถึงพระศรีอานยยาวเท่าเท่าไหร่ก่อนที่พระศรีอานจะได้มาตรัสเพราะนั้นถ้าเรา ทำแต่กรรมไม่ดีทำแต่กรรมชั่วเวียนว่ายตายเกิดเกิดเป็นหมูหมากาไก่ช้างม้าโบควายมนุษย์หูหนวกตาบอดกินเหล้าเมายาทำเลเทเม า, าคนดีคนชั่วกว่าจะถึงภาษีอามาตรัดเนี่โอ้ยาวพอจุงกวรอยู่ลอยละล่องอยู่ในวัฏฏะสงสารถ้าว่าพบใรชาติดใดเกิด มีบัณฑิตนักปราชญ์ขึ้นมาสอนเออพวกเราท่านทั้งหลายให้ดูแลพ่อแม่นะพ่อแม่นี่เป็นต้นกําเนิดเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ให้พวกเราดูแลพ่อแม่นะปนิบัติพ่อแม่นะถ้าเกิดบัณฑิตนักปราชญ์เกิดมาในยุคช่วงกลางเพราะพวกฤษีสีไพรก็มีอยู่เกิดขึ้นมาแล้วก็พระปฏิเจกพระปฏิเจกพุทธเจ้าจะเกิดมาเป็นช่วง กับลือสีในเกิดในช่วงศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ในระหว่างในระหว่างพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าจะจะเชื่อมหากันเป็นพวกลือสีสีพลายและก็พวกบัณฑิตนักปราศคาว่าบัณฑิตนักปราศคำนี้ บ, บางคนกันแนะนำไปในทางที่ชั่วก็มีต่งเยอะแยะอีกเหมือนกันสุดแท้แต่ใครจะ ไปเจอไปพบกับบัณฑิตนักปราศไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่ถูกทางไปในทางสวรรค์ถ้าไปเจอเขาแนะนําไปทางนรกนะ่ยก็จมดิง่งลงอีกลึกไปอีกถ้าหาว่าเขาแนะนําไปในสู่ทางสวรรค์ก็ได้นะมีเมตตามีสัมมาคารวะมีคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมที่ดีพวกฤาษีสีไพรเขาสอนสอนสมาธิ พวกฤาษีสีพรายเนี่ยพอเขาอยู่ในป่า เ, เขาจะเพ่งตะปะก้องเขาจากนั้นเขาไปสู่พรหมพรหมโลกเป็นส่วนมากพวกฤาษีเนี่แต่พวกปฏิบัติเป็นคุณคนดีมีทานมีศีลปฏิบัติพ่อแม่พวกนี้ถ้าตายไปแล้วเขาก็ไปสู่สวรรค์แต่ว่าใครทํากรรมชั่วก็ไปตกนรกเหมือนกันนะเพราะนั้นในช่วงในระหว่าง คือพระปจเจกพุทธเจ้าท้าว่าผู้ใดได้ทําบุญกับพระปจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ด้วยศรัทธาในการทําบุญแต่พระปจเจกไม่สอนคนนะปจเจกผูกระพุทธานนั้นไม่สอนคนคล้ายๆว่าพวกเราในอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้มาทําบุญได้พบพระสงฆ์ในพุทธศาสนาหรือว่าเห็นในการทําบุญนําทาน พอเห็นทานท่านบิณฑบาตโอ้อันนี้ผู้ขอทานตัวนี่อไอ้ข่าวา่ท่านมาบิณฑบาตใคร ข, ขา้าคนที่มีอุปนิสัยเนี่ยกูรีกูจอหาสิ่งที่มาทาบุญเพราะเป็นอุปนิสัยเก่าแก่นั่นแหละท่านจึงบอกว่าให้เป็นผู้เสียสละให้เป็นผู้มีน้ำใจปูทางเอาไวอา้อย่าเป็นคนขี้ตนีทีเหนียว ถ้าคนขี้ต่นียทีเนี้ยวไปเห็นพระประัจเจริบินณฑบาตว่ามีไม้มีมือมีแข้งมีขามีเออครบหมดทุกอย่างมาหาขออย่างนี้มันทำได้อยา่างไรเออสั ม, มณะขี้เกียจเนี่ยไม่ทำบุญแอแปลว่าเกิดพบนั้นชาตินั้นกับเปล่าประโยชน์ไปแล้วท่านนี่ถึงท่านจะไม่ได้ทำไรทำไรทานาทำรั้วทำสวนมีอวัยวะครบเหมือนกับเรา แต่ท่านบำเพ็ญทางด้านจิตใจท่านชําระใจของท่านเป็นพระปัิเจ้พุทธเจ้าท่านไม่ได้ทาําการทํางานก็จริงแต่ว่าท่านชําระใจของท่านอันนั้นเราก็ต้องเรามองไม่เห็นจุดนั้นเพราะว่ากิเลสของเรามันพอกพูนเราไม่ได้สั่งสมไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้ขัดเกลาจิตใจของเราไว้แต่เนินนาน ว่าทนท่านจึงว่าให้ทําบุญทําทานอุปนิเป็นอุปนิสัยเอาไว้นะถ้าหากว่าเห็นพระประเจกพุทธเจ้าก็มาทําบุญเราจะทุ่มทําบุญกับใจบาทพระประเจกหรือทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าในชาตินั้นเหมือนถูกหวยแจ็คพอตไม่รู้ว่ากี่กี่เท่าตัวอันนั้นก็คือนานๆพวกเราจะได้พบได้ทาบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าในระหว่าง พระพุทธเจ้าในระหว่างพระพุทธเจ้าในช่วงกลางอย่างพระโคตมะกับพระศีอรยะยเมตไตรในระหว่างกลางนั่นน่ะนั้นคือท่านพูดไว้ในพระไตรปิฎกท่านพูดอนาคตอนาคตังสยานลักษณะอย่างนั้นแต่พวกเราก็ฟังเอาไวอาจจะมี อ, อัทธกถาจารย์ต่อเติมส่งเสริม ขึ้นมาก็ได้แต่ที่ยังไงให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมการคือการกระทำของตัวเองนะ่ะเลือดประเสริฐที่สุดถ้าตัวเองขี้เกียจวันนี้ขี้ค้านวันนี้เกิดมาพบนี้ฉานนี้ขี้ค้านขี้ค้านเรียนหนังสือขี้ค้านทาการเกียดค้านทางานเกียดค้านทุกอย่างก็เป็นที่ตำหนิของคนทันทีเลยล่ะเขาต้องด่าทันทีเลยเอ้ อยู่กับหมูกับเพื่อนแล้วทาไมขี้เกียจขี้ค้านมาช่วยเหลือหมูพกเพื่อนแล้วก็ยังมาให้หมูพกเพื่อนแบกอีกต่างหากแล้วมาอยู่กับเขาอีกต่างหากเนี่ยแหละอันนี้ก็คือถ้าใครทําตัวอย่างนั้นกรรมที่ทํากรรมที่ไม่ดีอย่างนั้นต้องเป็นที่ตําหนิของหมูพกเพื่อนถ้าเราเป็นฆราวาสญาติโยมก็เหมือนกันอยู่ในชุมชนสังคม ทำตนไม่ดีทํากรรมไม่ดีกรรมคือกรรมชั่วคือกรรมไม่ดีพอทําลงไปคนทั้งหลายก็ตํามในอีกเหมือนกันถ้าทํามากกว่านั้นเขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางไปบุคคลคนนี้ควรจะไปขังไว้เพราะมันทําร้ายทําร้ายทําลายหมูพกเพื่อนไม่ซื่อสัตย์ไม่สู้ตรงต่อหมูพกเพื่อนควรเอาไปขังไว้ช่ไให้มันอยู่ในกรอบอย่าให้มามักเพ่นพ่าน กับหมู่กับคู่กับคนเดี๋ยวเป็นอันตรายเอาไปขังไปซะอันนี้เป็นบุคคลที่ไม่พึงปราถนาของสังคมสิ่งเหล่านีค้คือการกระทำของตนเองเหมือนกันที่เขาไปอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่ากรรมคือการกระทำเมื่อเราทำดีคิดดีทำดีพูดดีกรรมดีจะต้องตามสนองไปอยู่นัดสถานที่ใดร่มเย็นเป็นถูกใครๆก็ปราถนาอยากให เข้าไปใกล้อยากจะให้เข้าไปาหาถึงจะอยู่ห่างไกลกันกันเนี่ยอย่างจดหมายหลวงพ่อเนี่ยมาจากที่ไหนมาเมื่อกี้เนี่ยามาขอเครื่องมือแพทย์เขาก็รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยช่วยสงเคราะห์โรงพยาบาลช่วยเครื่องมือแพทย์นแต่หลวงพ่อจนแลยใช่ไหมหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อจนแล้วหลวงพอโอโอ่งพ อ, อ, งพออยากจะให้อยู่ถ้าหลวงพ่อรวยหลวงพ่อให้ทันทีและเครื่องมือแพทย์ แต่ลงพ่อจนลงพ่อต้องให้เป็นจังหวะถ้าใครขอมาได้ในขณะที่สิ่งของเหมือนกับเลิงได้กล้วยอย่างนั้นอนะ่ะถ้าได้เขาเอาเอา ก, กล้วยมาให้ลงพ่อได้กล้วยมาลงพ่อเออน่าจะพอแบ่งได้ลงพ่อก็จะแบ่งให้นั้นลักษณะอย่างนั้นลนะถ้าลงพ่อแบ่งไม่ได้ก็จะทำยังไงตัวเองก็กินจะไม่อิ่มอยู่แล้วนะ ก็ต้องมองมองดูเออมีประโยชน์อยู่แต่ว่าเราจนมันตัวแดงขึ้นมาแล้วเครื่องมันร้อนแล้วนะ อ, อต้องพักพักไฟก่อ น, นแต่มันมีมาเออเขาไม่ว่ากันเออได้แล้วยังถ้ามีมาก็จะถามขึ้นเออเป็นไงที่ขอมาขนาดได้แล้วยังอ่ะได้แล้วครับเออได้แล้วเออแล้วไปโอ้ยังอยู่ครับยังต้องการอยู่เอ อ, เอยังค่อยว่ากันไปนี่แหละอันนี้ก็คือ เมื่อเราทำดีอยู่นักสถานที่ใดถึงจะอยู่ห่างไกลขนาดไหนเขาก็อยากจะให้ไปเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นพักเป็นพวกเพราะเหตุไรเพราะว่ามีน้ำใจมีน้ำใจต่อกันอันนี้ยกตัวอย่างนะจะเป็นใครก็ตามไม่ใช่ตลกพ่ออินใครก็ตามยางลงสมัยลงตา ย, ยังมีชีวิตอยู่นะจากเหนือจดใต้มา ขอลงตาม า, มาพบก็ลงตาอยากจะให้ลงตาไปดูไปช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เพราะเหตุอะไรเพราะลงตาเป็น เ, เป็นคนดีเป็นพระที่ดีท่านคิดดีทำดีพูดดีมีแต่เมตตามีแต่สงเคราะห์อนุเคราะห์โลกแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับลงตาถึงขนาดนั้นหรอกจะไปเปรียบเทียบจะยังไง เ, เหมือนกับลิงได้กล้วยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะ ได้นิดหน่อยมากก็เออมีน้ำใจนีน้ำใจในหลวงพ่อเนี่ยเหลือเฟื อ, อ, อน้ำใจเนี่ยเหลือเฟือล้นหลมออามแต่มีมาคือเอา้าสงเคราะห์ให้ไปในเมื่อรับวัดของเราพอเป็นพอไป เ, ออเราก็อยู่อย่างพระกรรมฐานอีกต่างหาก เ, ออเห็นไหมในวัดของเราสร้างอะไรบ้างออก็ไม่ได้มีอะไรหรูหราโอ้อาอยู่แบบออกรรมฐานกรรมฐาน อยู่แบบปลอนๆถ้ามีจะตตุปัจจัยมาคือเอา้าช่วยสงเคราะห์อันนี้ก็คือการสงเคราะห์ชุมชนสังคมเนี่ยอันนี้แหละสิ่งเหล่านี้แหละให้พวกเราลูกหลานทุกคนเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีอยู่นัสถานที่ใดมีแต่ความผาสุก แล้วก็พร้อมกันอย่าลืมคิดทางด้านจิตใจตัวนี้หลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกอถึงจะอยู่ดีมีสุขขนาดไหนก็เถอะในร่างกายนี่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะพอเลี้ยงไปลงไปแล้วก็เห็นผมขาวเดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวเห็นตาฝ้าฟางเดี๋ยวก็เห็นหูตึงหนังเหี่ยวนอนอยู่กับที่นอนแล้วจะไหนเออขยับไปที่ไหนไม่ได้นั่นละ่ะร่างกายนี่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะ มันถึงจุดจบของมั น, มนหมดสภาพของมันแต่จิตใจของเราเนี่ยเลี้ยง เ, เข้าไปแล้วมีแต่เจริญรุ่รงเรืองอพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเมื่อท่านปราถนาะพุทธเจ้าท่างกับปาถนาะแต่ท่านท่านเกิดพบใดชนใะทั้งบำเพ็ญต่ อ, อบุญต่อบุญกุศลต่อกุศลต่ อ, ตอบารมีต่อบารมีไปเรื่อยบารมีแก่กล้าไปเรื่อยๆผลในสุวคนนะ ได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณคือบอลมครูของพวกเราพวกเราก็เช่นเดียวกันนะั่นะเกิดมาพบนิชาาินี้เลยพบพระพุทธศาสนาได้พบคุณงามความดีเอาสังสมต่อเติมบุญไปเรื่อยแต่ร่างกายกนะอย่ยก็ยงว่านะแต่จิตใจนะั่นอยู่ในจิตใจของเรานามธรรมตัวนี้แหละต่อเติม บุญกุศลเข้าสู่จุดนี้แต่เติมบุญเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนั่นนะเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจนี่ที่นามธรรมนี่มากกว่าเรื่องของกายกายนี่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงไปเถอะเลี้ยงกายนะอผลที่สู่ก็ตายอย่างที่ลุงพ่อได้พูดจะสร้างบ้านให้หรูหราโออาขนาดไที่หิาร่างร่างกายอยู่นอยู่ไปอยู่ไปก็เห็นผมงอกผมขาว ฝันหลุดนะหนังเหี่ยวพุทธสุก็นอนอยู่ในเตียงทำไมไปโรงพยาบาลนะพระพุทธสุก็ตายในบ้านหลังนั้นนะนะอันนี้คือเลี้ยงร่างกายแต่จิตใจเนะี่ยตัวนั้นนะ่ะในหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ไปค้นคว้าศึกษาที่โครนต้นโพพุทธกยาประเทศอินเดียนะท่านว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจมนโนปุพังขมาธรรมาน จะทำายังไงจะทำอาหารเข้าสู่จิตใจนั้นต้องนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าอย่าให้จิตใจคิดไปในอดีตคิดไปในอนาคตให้จิตใจใจเท่านั้นตัวผู้รูนะ้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนันจิตปัจจุบันนรรัรนทปัจจุบันที่ปลายจมูกเมื่อท่านทำอย่างนี้ได้นั่นแหละคือเอาอาหารเข้าสู่จิตใจ เมื่อใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งจะเป็นพลังขึ้นมาแ เ, เป็นพลังขึ้นมารู้เรื่องของตนเองรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของข้าพเจ้ารู้เรื่องต่างๆของเร า, เาจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วก็มองไปที่ไหนก็รู้มีสติสัมปชัญญะในตัวเองจากนัก้นก็รู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายจากนัก้นก็ดู จิตใจถอนออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นแหละบริสุทธิ์หลุดพ้นเหมือนกับปพปุถุตเจ้าเหมือนกับพระาราหันตสาวกนั่นแหละจุดนี้อย่าลืมจุดนั้ น, นที่พูดมาทั้งหมดนะั้นะอให้เข้าเป็นแนวทางเป็นทางเดินของกายวาจาแต่สวนใจจริงๆเนี่ยนะที่จะเอาให้จริงจังหลุดพ้นจริงๆนะั่นคือใจ อย่าไม่มาเวียนไหว้ตายเกิดดูดูดแล้วน่ะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นนะเกิดมาแล้วจะทํายังไงเกิดมาแล้วก็นนะแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็เกิดอีกถ้าเราทํำกรรมชั่วก็เวียนไหว้ตายเกิดเป็นหมูหมากาไก่สัตว์ม้าวัวควายถ้าทําดีก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมแล้วก็กลับลงมาอีกเพราะเชื้อมันยังมีอยู่ในใจนกิเลสยังมีอยู่ ก, ก็ังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนะ ดูๆแล้วมันน่าเบื่อนะอยนี้พระพุทธเจ้ามันบอกว่ามันหาความสุขไม่ได้นะโลกนีอนนะสุขผลในสุดสุขยุสุขนิดหน่อยผลในสุดก็ความตายมาในที่สุดขันะทุกอย่างมาหันเลยพราพอทุกข์เราเกิดเกิดพบหน้าชาตินาก็ลืมอีกอพอไก่จะตายมาทุกข์อีกอแล้วก็ลืมอีกเกิดมาพบหน้าชาติานานนอะไก่เขาว่าไม่เข็ดไม่หลับนะ แ ต, แต่พระพุทธเจ้าพระหลานแต่สาวกท่านรู้อดีตอนาคตท่านมองเห็นแล้วโอ้หน้าเข็ดหลับนะเกิดมาในโลกเนะี่ยหน้าเข็ดหน้าหลาบับไม่น่าจะมาเวียนว่ายตายเกิดน่าจะหาทางพ้นทุก์มันมีช่องทางมันมีหนทางอยู่ที่จะพ้นทุกได้เพราะใจดวงนี้มันมีเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะมันจึงทําให้วุน่นเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยชาระตัวนี้ซะ ชำระกิเลสราคาโทสะโมหะซะนะวิธีการชำระทำยังไงพระพุทธยาวสอนวิธีการยาวเยียดได้ทนนะมากมายให้พวกเราศึกษาพวกเราศึกษาจะรู้แนวทางนะรับพร อ, อนุโมทนาให้พร